พ ร, ระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งสี่ลำดับที่สิบโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่ส3ามตุลาคม2559หมีชื่อเรื่องว่ากิ้งกาลืมตัวจัดอาหารเรียบร้อยแล้วณะทศชายาิโยมลูกหลาน <c oughs> ตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พร <c oughs> ก่อนที่จะอนุโมทนาให้พรหลวงพ่อเองในฐานะประธานสงฆ์ในพิธีในวันนี้ทางฝ่ายคารวะก็มีท่านนายอำเภอเป็นประธานและก็ท่านผู้กำกับเป็นประธานของตำรวจแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยที่มาร่วมมารวมกันถือว่าวันนี้เป็นวันสำคัญยิ่งวันหนึ่งเพราะว่าเป็นวันตำรวจ แห่งชาติแล้ว ว, วันตำรวจชอบพอนายุงที่พวกเราจัดขึ้นเป็นวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559ปีนี้ก็มีวันเดียวเท่านี้แหละปี59มีวันตำรวจแห่งชาติของเราที่เราจัดทุกปีหลวงพ่อคิดวันไดมาได้หลายปีที่ผ่านมา แต่ต่อไปนี้ก็ก็ไม่แน่นอนเมื่อคณะลูกหลานพราะหลวงพ่ออายุแก่ขึ้นไปเรื่อยๆผู้ที่เขามาเกี่ยวข้องก็มากขึ้นเรื่อยๆ อ, อย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นพอวันปีนี้ก็ได้มาร่วมมารวมกันจัดงานวันตำรวจแห่งชาติแล้วก็พร้อมกันเป็นการฉลองเฉลิมที่ท่านผู้กํากับที่ท่านได้ สร้างอาคารหลังนี้ขึ้นมาอย่างพวกเราดนนั่งนี่แหละเป็นอาคารเ อ, าอนเนกประสงค์สำหรับทำกิจกรรมหรือว่ารวบรวมตำรวจเวลามีอะไรขึ้นมาก็ได้มาปรึกษากันหรือมาเลี้ยงสังสรรค์กันกินข้าวกินน้ากันที่นี่แต่ข้อสำคัญอย่าไปเลี้ยงเห ล, ล้าก็แลนะ้ว <c oughs> กันนะสลาหลังนี้นะ พ, พ่อเป็นสล า, าหลวงพ่อให้ทุนมาใช่ไหมละ่ะ เพราะนั้นเวลามาเลี่ยงเล่ากันที่นี่ไม่ดีล่ะก็ขอให้พวกคณะตำรวจทั้งหลายผู้พิทักษ์สันติราษฎร์วันนี้เป็นวันตำรวจพวกเราได้มาร่วมมารวมกันทำบุญตำรวจเป็นที่รู้กันอยู่แล้วตั้งแต่บรรพบรุ่ดึกดำบรรด์แต่ในตั้งตั้งคมตารวจต้นแรกจนถึงปัจจุบันนี้ มีการดูแลพี่น้องประชาชนถ้าจะว่าไปแล้วก็ตำรวจเหมือนกับรังต่อรังแตนทักษหลวงหลังของตอนเองก็ธรรมดาก็ต้องมีการประทะมีการล้มหายตายไปก้มหลายรุ่นหลายคนทีเดียวถ้าจะนับเป็นคนออกมาในกรมตำรวจของพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเรา ที่ได้มาร่วมวิชาอาชีพเดียวกันพวกเราก็ได้สำนึกว่ารุ่นพี่ๆของพวกเราปู่ยตู่ปู่ๆทวดๆของพวกเราก็ได้ล้มหายตายจากไปพวกเรามาถึงรุ่นโลกรุก่นห ล, ลานพวกเราก็สำนึกในวิชาอาชีพเดียวกันด้วยคนในชาติพวกเราได้ทาบุญพอทาบุญเสร็จแล้วก็อุทิศส่วนกุศลต่อดวงวิญญาณ ท่านเหล่านั้นถ้าหางว่าท่านมีความทุกข์อยู่ตกทุกข์ได้ยากอย่างไรก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราที่ได้ทาบุญทําทานในวันนี้ถ้าหว่ามีท่านมีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นตามความที่ต้องท่านตองการปรารถนาพวกเราได้ทาบุญในพระพุทธศาสนาได้ทาบุญในพระสงฆ์ ในวันนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นวันหนึ่งที่พวกเรามีน้ําจิตใจต่อพวกกลุ่มของพวกเราอันนี้ก็คือตํารวจแต่ส่วนพี่น้องประชาชนที่มาร่วมมารวมกันทําบุญก็ให้อุทิศส่วนกุศลเหมือนกันนะั่นอ่ะอุทิศส่วนกุศลให้ตํารวจด้วยและก็พร้อมกันกับอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพชนของพวกเราทุกๆคน ปู่ญาตตายายวงสาขนาญาติญาติมิตรหายอย่างที่ทายยกได้บรรยายมาแล้วนะเจ้ากรรมนายเวร ท, ท่านผู้ใดมีความทุกข์อยู่ข อ, ขอให้พ้นจากทุกข์แต่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นและก็พร้อมกันในช่วงนี้พวกเราก็คงเย็ดียินข่าวในในหลวงหลวงของพวกเราพ่อหลวงของพวกเราที่ท่านทรงประมวล ในขณะนี้ในการทาบุญในคราวนี้และครั้งนี้เราก็พร้อมที่จะถวายเป็นพระราชฎรกุศลขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญด้วยอายุด้วยโรขาพยาจะได้มาเบียดเบียนพระองค์ท่านขอให้พระองค์ท่านอยู่เป็นร่มโพร่มใสของพระสงนิกรพวกเราท่านทั้งหลายนานเท่านานอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่พวกเราได้ทาบุญในวันนี้และพร้อมกันขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่าน แต่อยู่ในสถานะไหนก็ตามให้ประกอบหน้าที่การงานให้ดีที่สุดอย่างหลวงพ่อเองเป็นฝ่ายพระสงฆ์อยู่ในพระพุทธศาสนาหลวงพ่อก็จะพยายามทำตนให้ดีที่สุดอยู่ในหน้าที่ของพระสงฆ์สิ่งไหนที่มันผิดวินัยผิดศีลผิดธรรมหลวงพ่อจะไม่ทำในจุดนั้นสิ่งนั้นพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าก็ เป็นเช่นเดียวกันขอให้คิดดีทำดีพูดดีถ้าว่าพวกเราคิดดีทำดีพูดดีอยู่นัสถานที่ใดมีแต่ความร่มเย็นผาสุขถ้าว่าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีเราอยู่นสถานที่ใดก็เดือดร้อนวุ่นวายอยู่นัสถานที่นั้นๆเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านเท่ได้มาอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยอยู่ในใต้ร่มพระบรม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีก็ขอให้พวกเราประกอบคุณงามความดีอยู่ในกรอบของศีลธรรมและการอยู่ด้วยกันก็ให้รักเคารพกันเมตตากันผู้น้อยก็ให้อยู่ในฐานะผู้น้อยผู้ใหญ่ก็อยู่ในสถ า, านะของผู้ใหญเออ่เมื่อเราเป็นผู้ใหญ่เราจึงจะรู้ได้ว่าเราควรจะวางตนอย่างไรแต่เมื่อเราเป็นผู้น้อยบางคนก็ลืมตัวพอยองพองตน อย่างนี้ก็ไม่ถูกเพราะเราอยู่ในสถ า, านะเราต้องมองดูมองดูตนเองในเรื่องเราเป็นผู้ใหญ่ เ, เราก็มองดูเหมือนกันในสมัยก่อนเมื่อเราเป็นผู้น้อย เ, อเราต้องการอย่างไรเราต้องการอยากจะให้ผู้ใหญ่ปฏิบัติตนอย่างไร เ, เราก็มองเห็นได้สมัยเมื่อเราเป็นผู้น้อยพอเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราก็วางตัว่เออวางตัวอย่างนั้นอย่างให้มันถูกต้อง ตามที่สมัยเมื่อเราเป็นผู้น้อยนั่นแหละนี่แหละถ้าหาว่าเรามองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวามองสูงมองต่ํามองรอบด้านาการอยู่ด้วยกันมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขถึงท่านจะผู้ใดก็าตามอยู่ในดถถาบรรดาศักดิ์ไหนก็ตามอย่าลืมตัวนะอย่าไปคิดว่าข้านเป็นใครนะถ้าลืมตัวเมื่อไหร่ก็ความจีบหาย เรื่องขอความหายณนะจะเข้ามาหาพวกเราทันทีพวกเราเป็นคนของแผ่นดินเป็นขาราชการก็เรากินเงินเดือนของพี่น้องประชาชนกินเงินภาษีภาษีพี่น้องประชาชนที่เสียภาษีพวกเราที่เป็นผู้บีเกียริแต่ชาวบ้านเขาไม่ได้กินไม่ได้เงินไม่ได้ใช้เงินภาษีแต่พวกเรานี่ได้เงินใช้เงินภาษีพี่น้องประชาชน เราต้องสำเนตไม่อยู่เสมอว่าเราได้เงินเดือนมานี่ไม่ใช่เงินเงินเดือนของปู่่าตาทวดนะเป็นเงินภาษีพี่น้องประชาชนเราจะทำยังไงให้ถูกต้องเป็นธรรมกับแผนดินไทยกับพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเราสิ่งเหล่านี้นะ เ, เราก็ให้สั่รวมให้ระวังในการเป็นอยู่ของพวกเราวางตัวให้ถูกถาวางตัวถูกแล้วนะ ความร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นเนี่ยหลวงพ่อได้ยินนิทานชาดกเรื่องมโหสถนคือพระพุทธเจ้าใช้ชาติเจ๋วยพระชาติในชาติที่สิบน่นนะสิบชาติชาดกนะเ่สมัยหนึ่งพระเจ้า ว, วิเทหะหรืออะไรเวทหะอะไรนั่นแหละเจเดไปชมสวนอุทยาน พอไปชมสวนอุทยานเห็นกิ่งกาตัวหนึ่งเกาะจุกิ่งไม้องกิ่งกาคือยังงก็คือกระปอมกระปอมมันเหลนะ่านีอกระปอมกา่าหรือกระปอมหัวแดงแอเห็นกิ่งกาตัวหนึ่งอยู่ในกิ่งไม้พอเห็นพระราชาไปกิ่งกาตัวนั้นมันพงกหัวนะผงกพงกผง ก, พ, งกพระราชาก็เลยถามหมอสดเอ๊ะกิ่งกาตัวนี้มันทําไมพงกหัวทําไมมันทําไมผงกหัวนะ่ะนะ มหโหสถก็บอกว่ามันแสดงความเคารพพระเจ้าข่ามันก็นแสดงความเคารพจริงๆมันผงกหัวใช่ไหมละ่ะมันอยู่ในกิ่งไม้พระราชาาโอควรจะให้รางวัลมันเออเพราะมันมันรู้จักเคารพคารวะเอานายอุทยานมานีา่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เ, เธอต้องเลี้ยงกิ่งกาตัวนี้นะ เ, เลี้ยงกระปอมตัวนี้นะเอาให้อาหารมัน วันได้สีกหาปณะท่านก็ให้อาหารเนี่ยก็คงอาหารกิ่งกามันก็คงจะไม่มากเท่าไหร่ใช่ไหมแต่ท่านให้วันละวันวันแรกสองกหาปณะเรืออะไรนี่แหละให้นายอุทยานเป็นเป็นคนเลี้ยงกับกระปอมเลี้ยงกิ่งกาตัวนั้นน่ะในวันนั้นกันายจิ๊ดได้กับซื้ออาหารมาทุกวันทุกวันท่นี้เออมาให้กิ่งกาตัวนั้นน่ะแต่วันนั้นเป็นวันพระเท่านี้ เป็นวันพระในอุทยานยก็ลืมลืมลืมอาหารนี่เขาไม่ฆ่าสัตว์เน๊จันี่เขาไม่ฆ่าสัตว์ในอุทยานนี่ก็ลืมแต่ก่อนก็เลยซื้อเอาไว้อยู่อยู่นะเออออกมาไม่ให้มันเน่านะการทำพิธีไม่ให้มันเนา่าแต่ที น, นี้วันนั้นลืมเลยลืมเอาตายเออคืนายอุทยาเนเขเป็นคนซื่อสัตว์ซื่อตรงจริงๆนะว่าขั้นะอะคือไม่ไม่คดไม่โกงขนาดเก่งกาเนาย พระเจ้าแผ่นดินเอาให้ก็จังต้องซื่อสัตว์ขนาดสองกะหาปนะนี่ก็ไม่เอาไม่กินถ้าไมถ้านายอุทยานเอาไปกินนี่ก็จบใช่ไหมล่ะแต่นี่นายอุทยานเนซื่อสัตว์พอนายสั่งยัก็ต้องปฏิบัติอย่างนั้นแต่นี้ก็เลยเอาแอะแอะกะหาปนะเงินสองกะหาปนะเนี่ยไม่ได้แล้วถ้าหากว่า เออมันเราไม่ซื้ออาหารไม่ได้วันเียก็เลยเอาเงินสองกระหาปณะเนี่ยมัดใส่เชือกแล้าก็แขนควาไปแขนคอยเออเอเอเ อ, เอ่งกาเหมนกันเอะเอาไปแขวนไว้ที่คอมันพอมอบให้วันเลยวเลกูไม่ได้เอาเงินมึงเนอ ะ, ะกูเอาเงินให้มึงฮงก็เลยไปแขวนใส่คอกิ่งกา <c oughs> พอแขวนเสร็จแล้วตอเนั้นวันนั้นพระเจ้าไปดินเสด็จใช่พอเสด็จมากิ่งกาเฉย มันไม่เคารพวันนี้บอกว่าพระเจ้าแผ่นดินก็มีเงินเหมือนข้าข้าก็มีเงินของเหมือนกับพระเจ้าแผ่นดินน่ะข้าไม่ต้องเคารพพระเจ้าแผ่นดินวันนี้เหมือนกันนะกิ่งกาตอนน้ทะนงตนขึ้นมาเอพพอเห็นตะวันเวลาพระเจ้าแผ่นดินไปไมันจะผงกผงกหัวเลยแสดงความเคารพใช่ไหมแต่วันนั้นกิ่งกาตอนนั้นเฉยอมันไม่เคารพเลยนี่เพราะว่ามันก็มีเงินเหมือนกันมันรวยเหมือนกันมันว่านะอกิ่งกาอผัวในโสกก็เลย พระเจ้าแผ่ดินไปเห็นเอ้าทําไมมโหสถทําไมกิ่งกา่าวันนี้มันจึงไม่เคารพเราอะทุกวันมามันต้องผงกหัวทุกครั้งแต่วันนี้มันทําไมไม่ผงกหัวหละ่ะเออพระโหสถก็เลือบไปเหลือบมาก็ไปมองไปเห็นก็หาปะหัะอยู่ในคอของมันใช่ไหมเอ๊ะมันคงจะได้อะไรสักอย่างมั้งเออเรียก เ, เรียกนายอุทยานรักษาอุทยานมาสิ ก็เลยเรียกมาอ้าวนอุทยานทําไมกิ้งกาตอนี้มันไม่เคารพแต่แกไปทําอะไรกับมันโอ้ข่าพระองค์เอลืมซื้ออาหารให้มันเมื่อวานนี่ข้าพระองค์ก็เลยอเงินของมันนั่นแหะข่าพระองค์ก็ไม่ได้เอาไปใช้ก็เลยมัดใช้เชือกเลยไปแขวนคอให้มันมอบให้มันเลยเอมันวันนี้มันก็เลยเอก็มอบให้มันแต่เมื่อวานเนี่มโหสถอืม กิ่งกาตัวนี้มันพอมันได้เงินมันก็ถือว่ามันรวยแหละพระเจ้าแผ่นดินมีเงินอย่างนั้นมันก็คงจะมีเงินอย่างนั้นมันก็เลยไม่แสดงความเคารพพระเจ้าข่าพระเจ้าแผ่นดินเอ้ยไม่ได้ต้องลงโทษมันทำไมมันแข็งข้อวันเราให้มันแล้วมันจะมาหาแข็งข้อใส่เราอีกไปโทษประหารตัดคอมันพระเจ้าพิ่นินจะจะตัดคอลูกเดียวเลยนะโมโหสถโอ้ ขอไปเตือพระเจ้าข้าเพราะมันเป็นสัตว์ที่ไรฉานเออมันไม่รู้จักกาลเทศะการสูงต่ำเพราะนั้นให้เอาภัยมันเออเอาแต่นั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะจุดให้อาหารมันเพราะมันแข็งข้อมันไม่แสดงความเคารพแต่นั้นต่อมาเลยกิงกาต่อนน้นก็เลยมุดไม่ได้อาหารอีกว่างานเถอะเพราะพระเจ้าแผ่นดินไม่ไม่พระราชทาน อาหารให้อาหารประจำวันให้นี่แหละลูกหลานใะนคณะสถาน ญ, ญาติโยมทุกโมเหล่าเราอยู่ในสถานะไหนเราอย่าลืมตัวแต่ถ้าลืมตัวได้เสียหายขนาดกิ่งกา่ามันลืมตัวว่ามันได้เหรียญเท่านั้นเองพระเจ้าแผ่นดินอย่างงดไม่ให้พระราชทานรางวันให้กับมันเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านอยู่ในสถานะที่ไหนอยู่อยู่ในสถานะไหนอย่าลืมตัว ให้ห น, หน่าทําหน้าที่การงานให้ดีที่สดคิดดีทดําดีพูดดีเนื่องมาเราคิดดีทดําดีพูดดีแหละความเจริญรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้นในตัวของพวกเราทุกๆท่านอยู่ณสถานที่ใดโรงเย็นเป็นถุกด้วยกันทั้งนั้นแหละและก็อย่าลืมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวว่าเงินเดือนถึงจะมากหรือน้อยก็เป็นเงินภาษีพี่น้องประชาชนให้พวกเราทําการทํางาน ถาาว่าพวกเราทำหลายคิดดูิว่าสมสมุติว่านะเออเขาเราทำงานอย่างนี้นะเราทะเลทลายอย่างนี้ล่ะถ้าเป็นเงินเงินของเราเราจ้างนะเราจะกล้าจ้างเราไหมให้ถามอย่างนี้นะให้ถามว่าถ้าเป็นเงินของเราเราจะกล้าจ้างเราไหมนี่เราทางานอย่างนี้นะเออให้ถามตัวเองนะถ้าเป็นเงินของเราเราจะกล้าจ้างไหมถ้าเราทำงานทะเลทลายอย่างนี้ ถ้าหากว่าขนาดตัวเองยังไม่กล้าจ้างตัวเองและจะทำยังไงล่ะเออเรากินเงินภาษีของเขาแสดงว่าเราเอาเปรียบเขามากเกินไปเสียแล้ว เ, เ, เพราะนั้นเราให้ทำการทำงานทำหน้าที่อะไรก็ทำให้ดีที่สุด อ, อ, อย่างหลวงพ่อก็เหมือนกันนะศรัทธาญาติโยมใส่บารตักบารให้แล้วไปกินทานฉันอาหารเขาแล้วไปพูดไปคุยแต่เรื่องบ้านเรื่องเมืองเมืองเรื่องสัพเพเหระเรื่องไม่เป็นเรื่อง เอออ น, นั้นก็ขาดทุนเหมือนกันนะแปลว่าบกพร่องต่อหน้าที่เออแต่เมื่อฉันอาหารของชาวบ้านไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสท่านบอกว่าให้ไปเดินจังกลมนั่งภาวนาให้เห็นอนิจจังคือของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตามิช่ตัวตนตามหลักธรรมคำสอนของพุทธะเพื่อส่อแสวงหาทางพธทุกไม่มาเวียนไห้ตายเกิดในวัตสงสารถ้าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพียงลัดนิ้วมือเดียว ก็คุ้มค่าคุ้มค่าอาหารที่ญาติโยมเขาถวายในวันนั้นแต่ในสิ่งเหล่านี้ก็ น, นี่แหละฝ่ายพระก็ไม่ใช่เหมือนกันนะต้องใช้นี่เหมือนกันนะ ไ, ไม่ใช่ว่าทานอาหารของเขาไปแล้วน่ะไปพูดเรื่องไม่เป็นเรื่องทับเพเฮระเอผลอๆยังเลาะพิวาทกันอีกเ อ, อเหมือนกับถ้าเป็นม้าออถ้าเป็นแม่ชี้แม่ขาวกับเป็นม้าขาว่ากัดกันถ้าเป็นพระก็บม้าเหลืองกัดกันน่ะเอมันไม่ดีทั้งนั้นแหละ เพรา ะ, ะนั้นพวกเราทุกอยู่ในหน้าที่สถานะไหนก็เหมือนกันให้สํานึกในสํารวมรักสำรวมมองตนเองไว้อยู่เสมอนะอย่าลืมตัวนะถ้าพวกเราไม่ลืมตัวนะอยู่นสถานที่ใดดีทั้งหมดนะก็นาสถาญาติโยมโลูกหลานทุกคนนะต่อ น, นื่ไปหลวงพ่อเองที่กล่าวที่พูดนี่ไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามผู้ใดใครผู้หนึ่งนะเอาธรรมะทำคาสอนของพระพุทธศาสนา หลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้ศึกษามานะหลวงพ่อก็มาพูดมากล่าวมากล่าวตักเตือนย้ําเตือนให้พวกเราท่านทั้งหลายถ้าหลวงพ่อมั่นใจว่าพวกเราปฏิบัติถูกเป็นศีลเป็นธรรมแล้วพวกเราอยู่ด้วยกันมากน้อยมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขนะลูกหลานนะเอาตอนนี้ไปพระ ส, สง์อาดมโธนาให้พรแล้วก็พร้อมกันอุทิศส่วนกุศลด้วยนะวันนี้นะ